เจลิญพรท่านผู้มีจเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18สิสงอาคมพุทธศักราป์2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์กับตัวเราจะทำให้เราไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็จะทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราและจะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษกับเรา ถ้าเราหลงเราไม่รู้ความจริงเราก็จะทำในสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นคุณชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าความจริงที่เกี่ยวกับตัวเรานี่ เป็นอย่างไรนั่นเองถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้สิ่งที่พพระพุทธเจ้าส่งรู้เมื่อเราได้รู้เหมือนสิ่งที่เหมือนกับที่พพระพุทธเจ้าได้ส่งรู้เราก็จะอยู่เหมือนกับพพระพุทธเจ้าคืออยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลาย มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น <c oughs> ก็เกี่ยวกับตัวเราเองว่าตัวเรานี้ส่วนไหนเป็นของเราส่วนไหนไม่ใช่เป็นของเราส่วนที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องสูญเสียมันไปส่วนที่เป็นของเรามันก็จะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรามารักษาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเวลาสูญเสียไปเราก็จะเศร้าสศงเสียใจแต่ถ้าเรามาดูแลรักษาสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุข ด, นะดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่า อะไรเป็นของเราอะไรไม่ได้เป็นของเราพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าเรามีสองส่วนในตัวเราเรามีร่างกายและมีจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นของเราจิตใจนี้เป็นส่วนที่เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกัน ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างหน้าตามีอาการต่างๆเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆนี่คือส่วนของร่างกายที่มีความไม่เที่ยมไม่ถาวรคือเมื่อเกิดแล้ว ก็จะแก่จะเจ็บและก็จะตายไปไม่ว่าจะดูแลรักษาอย่างไร <c oughs> ก็จะไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ส่วนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าส่วนนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการ ดูแลรักษามากจนเกินไปรักษาดูแลในขออของความเป็นไปได้เพราะว่าจะรักษาให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้ทำไปก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆทำเท่าที่เราทำได้คือให้อยู่ไปวันๆอน่่งนี้เราพอที่จะทำได้ถ้าเรามีปัจจัยสี คือมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเราก็จะสามารถดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ไปในแต่ละวันแต่ในที่สุดร่างกายนี้ก็จะต้องตายไป ดูแลมากไปก่อนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงต่อให้เราดูแลแบบมหาเศรษฐีแบบมหากษัตริย์มันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปดูแลแบบขอทานมันก็เหมือนกันมันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายมันก็มันก็อยู่ไปได้วันวันหนึ่งเหมือนกัน ร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินของประธานาธิบดีของนายกพัฒมนตรีก็เหมือนกับร่างกายของพวกเราเหมือนร่างกายของขอทานเหมือนร่างกายของสุนัขของแมวที่จาเป็นจะต้องมีอาหารมีรักษาโรคมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่หงห่มถึงจะอยู่ไปได้อย่างปกติสุข แต่ในที่สุดก็จะต้องตายไปทั้งหมดดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะหลงดูแลรักษาร่างกายให้มากจนเกินไปทำเท่าที่ควรจะทำพอให้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ต่อไปหรือไม่นี่คือความจริงของร่างกาย แล้วถ้าเราดูแลร่างกายแบบนี้ก็จะทำให้เราไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจของเราใจของเรานี่เครียดที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปห่วงไปวิตกไปกังวลกับร่างกายนั่นเองอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนา น, นา ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายเวลานั้นใจของเราก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงความไม่รู้ความจริงของร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นเพียงเครื่องมือที่เรา อาศัยเอามาใช้ทําภารกิจต่างๆภารกิจส่วนใหญ่ก็เป็นภารกิจที่ไม่ใช่เป็นของเราอีกเหมือนกันเป็นภารกิจของกิเลสตัณหาความอยากความโลภต่างๆซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําส่วนนี้เลยแต่เนื่องจากเราถูกความหลงความไม่รู้หลอกให้เรา ทำภารกิจทางความโลภความอยากความโกรธความหลงเพราะคิดว่าทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขนั่นเองอันนี้ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่งเพราะความจริงถ้าเราทำภารกิจให้แกกิเลสตัณหาให้กับความโลภกับความอยากใจของเราแทนที่จะมีความสุขมากขึ้น กับจะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างแท้จริงจะให้ความสุขเพียงชั่วคราวเวลาที่ได้สัมผัสได้เสีเช่นเวลาได้ดูสิ่งที่เราชอบดู เราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเราไม่ได้ดูเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเราดูสิ่งที่จำเจตำดูซ้ำๆ ซ, ซากๆสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราก็จะไม่ให้ความสุขกับเราเอีกลับจะให้ความทุกข์เพรจะเกิดความเบื่อหน่าย นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้ความสุขได้ประเดียวประดาวแล้วก็หายไปถ้าดูบ่อยๆเสพบ่อยๆซ้ำๆ ซ, ำ ซ, กซากๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุขแล้วเพราะเกิดความชินชาเกิดความจำเจจำเป็นจะต้องหา สิ่งใหม่ๆมาเสกอยู่เรื่อยๆต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรสิ่งใหม่ๆที่หามาได้ไม่นานก็จะเบื่อไปเช่นเดียวกันนี่คือการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแทนที่จะสร้างความสุขเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขของใจนี้ อยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองเราถูกความหลงความไม่รู้หลอกให้เราหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ตามมาทีหลังชีวิตของเราจึงมักจะมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเราก็จะต้องทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่เรามีนี่แหละ ไม่ได้ทุกข์กับอะไรเพราะสิ่งที่เรามีนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเราหรืออาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้ได้มาแล้วเพ้อไปแร๊บเดียวหายไปแล้วก็มีขณะที่อยู่ก็มีความวิตกกังวลห่วงใยว่าไม่รู้จะจากเราไปเมื่ อ, อไหร่นี่คือ ความสุขของพวกเราที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าอันนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางเพราะเราไม่มีใครมาสอนมาบอกทางที่ถูกให้กับพวกเรานั่นเองจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเราจึงจะได้รู้ความจริงว่าทุกวันนี้เรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เหมือนกับเหยือ่อที่ติดอยู่กลายเบบ เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยพอตะคุกเหยื่อไปแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาไว้สิ่งต่างๆที่เราได้รับได้มานี้เราได้ความสุขเพียงในระยะเริ่มแรกแล้วหลังจากนั้นความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์มาแทนที่ทุกข์พ่อห่วงทุกข์พ่อห่วงทุกข์พ่อ เสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราลักเราหวงไปสิ่งรูกอย่างที่เราได้มาในซักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปแต่เราไม่เคยมองเราไม่เคยคิดอย่างนี้กันเวลาเราเห็นอะไรเราจะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรา จะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพอเราได้มาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปจากใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไปจากของที่ให้ความสุขก็กลายเป็นของที่ให้ความทุกข์ไปแต่ถ้าเราได้มาพบพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะได้รู้จักความจริงอันนี้ว่าเราไม่ควรที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไม่ควรที่จะดูแลรักษาร่างกายของเรามากจนเกินไปมากจนเลยขอบเขตของเหตุของผลดูแลเท่าที่จำเป็นก็พอ เช่นบ้านนี้ก็ไม่ต้องใหญ่โตมาโห o ลานมีราคาเป็นสิบล้าน1้อยล้านอันนี้มันก็เป็นบ้านเหมือนกันบ้านเช่าที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นบ้านเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือหลบแดดหลบฝงหลบภัยต่างๆเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรให้ได้มากไปกว่า น, นี้อยู่บ้านที่มีราคาร้อยล้านพันล้าน ก็เหมือนกับอยู่บ้านที่มีราคาแสนสองแสนมันทำหน้าที่ได้เท่ากันคือรักษาปกป้องร่างกายจากแดดจากฝนจา ก, จากภยัภยธรยรมชาติต่างๆหรือจากภยัยจ็บของบุคคลหรือของสัตย์ต่างๆอันนี้เราจึงอย่าไปวุ่นวายกับการหาที่อยู่อาศัยเกินกำลังของเรา เราหาไปเท่าที่เราพอจะหาได้ถ้ามีมากก็จะซื้อของแพงใช้ของแพงก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรถ้ามีน้อยก็ต้องใช้ตามที่เรามีอยู่หรือว่าถ้ามีมากแล้วเราใช้น้อยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าที่เราอาจจะไม่สามารถ หาเงินหาทองมาเราก็จะได้อาศัยเงินที่เรามีมากนี้เอามาชดเชยกับรายได้ที่เราไม่สามารถหาได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างไม่เดือดร้อนดูแลรักษาร่างกายได้ตนไปถึงวันสุดท้ายของร่างกายหรือว่าถ้าเรา อยากจะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเราเราก็จะได้เอาเงินส่วนที่เหลือนี้มาทำประโยชน์เอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายเอามาสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหลือพร้อมเพราะการได้ช่วยเหลือผู้ได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นจะทำให้เรา มีความสุขใจอันนี้แหละเป็นการดูแลรักษาใจของเราเป็นการสร้างความสุขให้กับใจของเราที่ไม่มีวันตายอยู่แล้วใจของเรานี้เราจะดูแลหรือไม่ดูแลมันก็ไม่ตายไม่เหมือนกับร่างกายถ้าไม่ดูแลมันก็จะตายเร็วถ้าดูแลก็จะตายช้า แต่ใจของเรานี้จะดูแลหรือไม่ดูแลมันก็ไม่ตายเพียงแต่ว่าถ้าดูแลมันก็จะมีความสุขถ้าไม่ดูแลบัวแต่ไปดูแลสิ่งอย่างอื่นเช่นไปดูแลร่างกายไปดูแลกิเลสตัณหาอันนี้ก็จะทําให้ใจมีแต่ความทุกข์ถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขไม่มีความทุกข์ เราก็ต้องไม่ไปดูแลปิเลตตัญหาความโลภความอยากต่างๆเช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำทานมาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราทำแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะลดความอยากไปเที่ยวลงไป ครั้งต่อไปเราก็จะอยากไปเที่ยวน้อยลงไปแล้วถ้าทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำทานแทนใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความพอเพิ่มมากขึ้นทำให้เราไม่อยากไม่มีความอยากที่จะออกไปเที่ยวทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ อยู่อย่างมีความสุขได้ไม่มีที่ไหนจะดีเท่ากับบ้านของเราเออกไปข้างนอกเราก็ต้องไปวุ่นวายไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาที่รับประทานหาไปหาที่หลับนอนต้องไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนเหนื่อยยากไปเปล่าๆอยู่บ้านแสนสบาย กลับอยู่ไม่ได้ก็เพราะมีความอยากออกไปเที่ยวนี้เองแต่ถ้าเร า, เาฝืนความอยากไปเที่ยวด้วยการไปทำบุญแทนต่อไปความอยากไปเที่ยวนี้ก็จะหมดไปจะทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อน ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมามากๆเพื่อจะได้เอาไปใช้กับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาใจของเราด้วยการหยุดรับใช้กิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆ ให้มารับใช้ใจของเราด้วยการทาใจของเราให้มีความสุขด้วยการทำบุญให้ทานแล้วก็ให้มารักษาสิงไม่ให้ไปทำบาปาะการทำบาปจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองเราจึงต้องไม่ทำบาปทำไปแล้วใจของเราจะหวาดกลัวจะวิตกกังวล แล้วเวลารับผลของบาสรับโทษก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นถ้าเราไปทำผิดกฎหมายถ้าถูกตำรวจจับได้ก็ต้องถูกจับขังอยู่ในคุกในตารางหรือถ้าทำโทษร้ายแรงก็จะถึงกับโทษประหารชีวิตผลก็คือความทุกข์จะเกิดขึ้นตามมาเกิดขึ้นนั้งแต่ยังไม่ได้ถูกจับ พอทำบาปไปแล้วทำผิดกฎหมายไปแล้วใจจะไม่สบายแล้วจะวิตกกังวลจะหวาดกลัวแต่ถ้าเราไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่หวาดกลัวเราจะไม่มีความวิตกกังวลกับผลบาปที่เราไม่ได้ทำนี่คือวิธีรักษาใจของเราให้มีความสุข ไม่ให้มีความทุกข์ขั้นที่สองก็คือต้องไม่ทำบาปต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายามางถ้าเราทำรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับการกระทำที่ไม่ดีต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ ต้องรักษาใจของเราให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปก็ยังมีวิธีอีกสองขั้นด้วยกันคือเรียกว่าขั้นสมาธิและขั้นปัญญาขั้นสมาธิก็ทาให้ใจเรานิ่งให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนี้แลที่ทำให้เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธ พอเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราจึงต้องหยุดความโลภความโกรธความอยากต่างๆด้วยการไม่คิดอะไรควบคุมความคิดเอาไว้ถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจจะนิ่งใจจะเย็นจะสบายจะไม่ มีความโลภไม่มีความอยากต่างๆจะไม่มีความโกรธจะอยู่เฉยๆได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ว่าใครจะพูดอะไรทำอะไรจะรู้สึกเฉยๆใครจะชมใครจะดา่าก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ไปเอามาคิดปรุงแต่งไม่เอามาคิดให้เกิดความอยาก ความอยากของเรานี้เกิดจากความคิดของเราเองเช่นเราอยากให้คนเขาชมเราอยากไม่ให้เขาด่าเราอันนี้ก็เกิดจากความคิดพอมีคนด่าเราเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราชอบคิดอยากให้คนเขาชมเราไม่อยากให้เขาด่าเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่คิด เราเฉยๆ เ, เราฟังเราลับรู้เฉยๆ เ, เวลาใครด่าเราเราก็รับรู้ว่าเขาด่าเราเวลาใครก็ชมเราก็รับรู้ว่าชมเราเราไม่ต้องไปคิดว่าดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่คิดแล้วมันก็จะไม่เกิดความดีใจหรือเสียใจตามมานี่คือการทําใจของเราให้นิ่งให้สงบ ให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดใครพูดอะไรก็รับรู้ไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นปป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปพูดแล้วก็หายไปชมแล้วก็หายไปด่าแล้วก็หายไปแต่เราไม่ยอมปล่อยให้มันหายไปเขาด่าเราแล้วเราก็เอาคาด่าเขามาคิดอยู่เรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจยิ่งโกรธ ยิ่งเกิดความทุกข์ใจบางทีเขาด่าเราตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นก็ยังทุกข์ใจอยู่กับคำด่าของเขาก็เพราะว่าเราเอาคำด่าของเขามาคิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่คิดนี้เขาด่าปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วหายไปแล้วลืมไปแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราคิดมันก็ยังจำอยู่เรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งจำยิ่งจำก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดใหญ่มันก็เลยเป็นวงจร อ, อุบาททำให้เราไม่สามารถดับพายทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ถ้าเราฝึกควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้คิดไปตามอารมณ์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดแล้วมันก็ผ่านไป ท, ทันทีเราไม่เอามากลับมาคิดใหม่ให้เสียเวลาไปต่อาก เขาชมเราก็ชมไปแล้วเราก็ยังเอากลับมาคิดอยู่นั่นคิดว่าเขาชมเราคิดพอคิดแล้วก็มีความสุขที่ได้รับความชนของคนอื่นแต่พอคนก็ด่าเราก็หยุดคิดไม่ได้ก็เอามาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเรารู้จักหยุดความคิดต่อไปเวลาใครชมใครดา่าเราจะรู้สึกเฉยๆความเฉยๆของใจนี่แหละเป็นความสุข ยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการได้รับคำชมเชยดังนั้นเราต้องมาหัดทําใจให้นิ่งมาหยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดก็หาอะไรให้ใจคิดไปเรื่อยๆเช่นหาบทสวดมนต์มาให้คิดสวดไปเรื่อยๆสวดอรหังสัมมาสวาสขาโตสวดไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรทำไปแต่ใจก็สวดไป หรือจะสวดสั้นๆคำสองคำก็คิดพุทโธธรรมโมสังโฆไปในใจก็ได้หรือจะเอาคำเดียวก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่าไปคิดเรื่องราวาต่างๆให้เสียเวลาให้หนักอกหนักใจไปเปล่าๆเรามาปลดเปื้องภาระอันหนักอกหนักใจด้วยการบริกรรมด้วยการท่องพุทโธพุทโธไป เวลาเราเสียใจเวลาเราโกรธถ้าเราท่องพุโทโธไปได้เดี๋ยวเดียวความเสียใจความโกรธก็จะหายไปเพราะเราหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธนั่นเองนี่คือวิธีทําใจของเราให้สง บ, บให้นิ่งให้มีความสุขด้วยการควบคุมความคิดของเราหยุดความคิดของเรา อย่าปล่อยให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขก็ให้คิดไปในทางที่ทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราปล่อยวางวิธีที่จะทำใจให้เราสงบมีความสุขเราก็ต้องคิดไปตามความจริงเช่นคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรา ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ไปยึดติดกับร่างกายจะไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราแต่พอเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเหมือนกับเราปล่อยร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปเราจึงไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นฉันได้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นถ้าเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราถ้าเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราปล่อยมันไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อน นี่คือวิธีคิดเพื่อทำให้ใจสงบใจไม่ทุกข์ต้องคิดตามความจริงต้องยอมรับความจริงเช่นเวลาคนด่าเราเราก็ต้องคิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เป็นปากของเขาเราไปห้ามใครไม่ได้เลยใครก็อยากจะด่าเราเขาก็ด่าได้เสมอถ้าเราอยากไปให้เขาไม่ด่าเราเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้ว่า เ, ออเราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะด่าก็ต้องปล่อยเขาด่าไปเราอย่าไปอยากไม่ให้เขาด่าแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจนี่คือวิธีคิดคิดไปในทางที่เป็นความจริงยอมรับความจริงอยู่กับความจริงอย่าหนีความจริงอย่าอยากให้ความจริงเป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บ จะตายหรือไม่ตายก็จะไม่เป็นปัญหากับเราเราอยู่ได้ทั้งสองรูปแบบแก่ก็อยู่ได้ไม่แก่ก็อยู่ได้เจ็บก็อยู่ได้ไม่เจ็บก็อยู่ได้ตายก็อยู่ได้ไม่ตายก็อยู่กับเขาได้นี่คือวิธีคิดไปในทางที่ถูกคิดแล้วทําให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่มีความทุกข์นี่คือเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการมาพบกับพระพุทธศาสนามาฟังก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศจฟังธรรมมาฟังความจริงเพื่อจะได้นำเอามาสอนใจของเราให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพจนาะและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบงเพ็งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็วแกร่งาาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ